ชื่อซนะิกโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองคนไทยนี่น้อยคนที่ไม่รู้จักนะชื่อนี้นะเพราะว่าเขาเป็นโค้ดทีมชาตินะซึ่งตอนนี้ดังมากนะเพราะว่าทีมชาติไทยก็ได้ทำผลงานนะในทางฟุตบอลนี่ได้ถูกใจแฟนๆมากหลายคนก็คงจะรู้ว่าเขาเป็น ก่อนจะไปเป็นโค้ดนี่ก็เป็นนักฟุตบอลทีมชาติที่มีชื่อนะเป็นกัปตันฝีมื อ, อดีมากนะเขาว่านะแต่มาไม่เคยได้ดูหรอกพอตอนเขาดังในบวชแล้วเขาดังอยู่ทั้งก็ไปค้าแข่งที่ต่างประเทศนะตอน แ, แรกๆก็ในประเทศเพื่อนบ้านนะมาเลเวียดนามต่หลังสโมสร อ, อังกฤษนะใ น, น ดิวิชั่นสูงสุดนะถือว่าเป็นพรีเมอร์ลีกแล้วบังตอนนั้นะ่ะก็เรียกว่าอะไรซื้อตัวเข้าไปนะไปแข่งก็เป็นข่าวใหญ่นะเพราะว่านักฟุตบอลไทยที่จะไปค้าแข่งในประเทศอังกฤษนี่เรียกว่าแทบจะไม่มีเลยนะาคนก็รอดูว่าเมือ่อไหร่เขาจะได้ลงสนาม นะแข่งในอังกฤษเขาเองก็มีความใฝ่ฝันนะแต่ว่าจนล่าจนรอดก็ไม่เคยได้ลงสนามจริงสักทีนะเพราะว่ า, าเป็นตัวสำรองตลอดนั่งอยู่ข้างสนามนเขาเครียดมากเลยกลุ่มใจมากเขาบอกว่านี่แทบจะหัวแทบจะแตกเลยนะความเครียดเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าการ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 ได้เดินทางได้สัมผัสกับอหลีกอังกฤษที่มีสีสันที่สุดในโลกสีย่างเดียวคือไม่ได้เล่นแค่นั้นแหละพอเขาเห็นอย่างนี้เนี่ยเขาสึกเลยว่าโอ้การไปอังกฤษนี่มันมันมีความหมายขเข้ามากเลยแล้วก็มารู้สึกว่าไอตอนที่กลุ่มอกกลุ่มใจที่ไม่ได้ลงเล่นนะเป็นเพราะเขามองไม่เห็นว่า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 ไอสิ่งที่ได้เนี่ยมอไม่เห็นเพราไปตรวจจ้องอยู่ว่าเราไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นลงสนามนะซึ่งอันนี้ก็จะว่าไปก็น่าเสียดายนะเพราะว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยเขาเขามองแบบนี้นะเขามองแบบว่าโอดไปอังกฤษนีมีแต่ได้กับได้นะเขาคงจะใช้โอกาสนั้นเนี่ยพัฒนาทักษะแล้วก็พัฒนาความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอล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 คนเราทุกข์ก็เพราเห็นนี้มากมายนะมันเป็นการทุกเพราะความคิดทุกขเพราะมุมมองที่มองเห็นแต่ด้านลบมองเห็นแต่สิ่งที่ไม่มีมองเห็นแต่สิ่งที่เสียไปาทั้งที่สิ่งที่มีหรือสิ่งที่ได้ก็มีมากมายมันก็ไม่ต่างจากเด็กนะเด็กบางคนเนี่ย วแทบจะมีมีแทบจะทุกอย่างนะที่ต้องการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเลต็ตนะเครื่องดนตรีนะมีโทรทัศนะน์นะมีรถจักรยานนะแต่ก็ยังกลุ่มอกกุ้มใจเพราะว่า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 ยังไม่มีกีตาร์นะตัวที่สนีะ่มีมาแล้วสามตัวนะ <laughs> ก็อาจะ ก, กลุ้มใจเสียใจนั่นแหละเครียดนะจนกระทั่งบางทีก็อารมณ์เสียใส่พ่อเนี่ยใส่แม่อันนี้เพราะก็จดจ้องนะใส่มวไปจดจ่อใส่ใจกับสิ่งที่ยังไม่มีสิ่งที่ยังไม่ได้ทางที่สิ่งที่มีเนี่ยโอมีเยอะๆไปหมดเลยนะ ยังไม่ได้พูดถึงว่าชีวิตที่สะดวกสบายนะแต่ที่มีพ่อมีแม่ดูแลใจใสนแะล้วคนในนี้เป็นอย่างนี้กันมากนะอหนุ่มสาวนะโดยเฉพาะสาวสาวนี่บางคนนี่ก็ก็มีสิ่งต่างๆมากมายมีชีวิตที่สะดวกสบายการเรียนก็ดีพ่อแม่ก็น่ารักอบอุ่นนะเอาใจใส่นะ มีโทรศัพท์มือถือนะมีห้องส่วนตัวแต่ว่ากลุ้มใจเพียงเพราะว่ามีสิวนะหรือว่าลักแร้ไม่ขาวเนียนก็แนะค่นั้นแหละเห็นแต่แค่นั้นแหละนะมันก็เลยทุกเนี่ยอันนี้เรียกว่าไปตรจจ้องอยู่แต่สิ่งที่ไม่มีหรือว่าสิ่งที่ไม่ดี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 ไม่โมวแต่จดจ้องอยู่กับสิ่งที่เสียไปหรือว่าสิ่งที่ไม่มีนะแต่ว่ามองเห็นนะเต็มตาวนะ่าสิ่งที่เรามีนะมันมากมายแค่ไหนหรือว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะกับตัวเราแต่ว่าเปร้านี้ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จก็ตามจะเป็นความสุขก็ตามเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับมุมมองมากทีเดียว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 อาอยะอีกหลายส่วนที่มันยังดีอยู่บันะบทีก็ไปไปชี้ให้เขาเห็นนะว่าเนี่ยตายไม่ดีก็จริงนะแต่ว่าตายยังไม่บอดเนี่ยตายยังดีอยูนะ่หูก็ยังดีอยู่นะแถนก็ไม่พิ ก, การขาก็เดินได้นะถ้าโมาไปสนใจอยู่แต่ ว, ว่าตายไม่ดี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 หลับตาทําใจสบายแล้วก็จินตนาการว่ามันเป็นเสียงดนตรีพอเปิดตาขึ้นมาไอเสียงเหล็กกระทบกันก็หายไปแล้วมันเหลือแต่เสียงดนตรีที่จริงเสียงก็เหล็กกระทบกันกยังอยู่นะแต่ว่าความรู้สึกเขาเปลี่ยนไปไอที่เคยทุรนทุรายก็กลายเป็นสงบนะอันนี้เราเปลี่ยนเปลี่ยนเสียงที่เป็นลบให้กลายเป็นบวก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 เสียงที่ดังหรือว่าความปวดความเจ็บที่เกิดขึ้นกับร่างกายไอตอนที่ใจมันเป็นลบเนี่ยนะส่วนใหญ่เราไม่รู้ตัวนะพอความทุกข์ใจเกิดขึ้นก็เลยเหมือนกับซ้ำเติมตัวเองซ้าเติมคือทุกทั้งกายทุกทั้งใจถ้าเรามีสติเราจะเห็นเลยวนะ่าโอ้ใจเราเนี่กำลังบน่นโวยวายตีโพตีพายหรือกํากลังเกิดโทสะ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 เขาเดนอยู่ดีดนะแต่เราเอาหูไปลองเกีย้ยวเขาเองนะถ้าไม่เอาหูไปลองเกีย้ยนะมันก็ไม่ทุกข์ใจนะก็ไม่หงุดหงิดแต่ทําไมหูถึงไปลองเกีย้ยนะเพราะว่าใจไม่มีสตินะบางทีก็เอาหูไปลองคอรนที่กขากำลังทุตบตะปูอยู่เอาหูไปลองคอมะเอาหูไปลองบรถลอมอเตอร์ไซค์บ้างมันก็เลยทุกข์่ย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 มันเป็นขบวนการก่อการร้ายเลยทีเดียวนะพวกก่อกระบศนะหรือพวกคลั่งศาสนาเนี่ยที่ต้องการยึดอำนาจของรัฐบาลนี่ก็หาเงินซื้ออาวุธเนี่ยก็จากการขายงาช้างโอ้มันเป็นขบวนการใหญ่ใหญ่โตมากมีเพียงคนนึงก็ถูกนะคนในขบวนการนี่ทำร้ายทรมานนะทรมานยังไงนะ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 หรือว่านึกถึงสิ่งที่เรารักแล้วก็สูญเสียไปจะเป็นเงินก็ดีคนรักก็ดีก็ทําให้เกิดความเศร้าเกิดความอาลัยหรือนึกถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะแต่ว่าปรุงแต่งไปล่วงหน้าแล้วว่ามันจะอาจจะแย่นะเช่นลูกไปสอบขึ้นมนหนึ่งหรือเข้ามหาลัยพอนึกว่าลูกอาจจะสอบไม่ได้คนนี้ก็กังวลแล้ว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 รู้ทันเนี่ยก็คือมีสตินะเห็นว่ากําลังปล่อยให้อารมณ์นั้นคร่อมงำนะหรือถ้าพูดภาษาธรรมะเนี่ยก็บอกว่ารู้ทันว่ากําลังเข้าไปเป็นพอรู้ว่าเผลอเข้าไปเป็นนะมันออกมาเลยมันทลายออกมาเลยมาเห็นมันแทนมันไม่ค่อยไปเป็นแล้วมันออกมาเป็นผู้เห็น